ที่วัดป่าหัวตลบวนารามวันที่30กันยายน2559เรื่องความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องปรมาติโดยหลวงตาณรงศักดิ์ขีณาลโยเรื่องวันที่นี้ิาณิญญาณนี่ารมันรู้อะไรเนี่ยมันจะรู้จากที่ที่มันรู้แต่พอมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรปวกันก็ถูกตอต่อในศานาพระญารัาแล้วไ รู้วิญญาณอันขาเนี่ยรู้รู้เวทนาสัญญาสักขารวิญญาณที่กันหน้าจะมาไดกัหน้าเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยนวิญญาณอันาที่รู้ตาตาเขาเรียกว่าจับกวิญญาณรู้ตั้งหูเขาเรียกว่าโสตวิญญาณรู้ตัจมูกเขาเรียกว่าฐานวิญญาณรู้ทางลิ้นเขาเรียกว่าชื่อหาวิญญาณรู้ทางกายตัางผัดเขาเรียกว่ากายยะวิญญาณรู้ทางประตูใจเ็าเรียกว่ามโนวิญญาณให้หกวิญญาณตะกงเนี่ยวิญญาณวิญาณเนี่ย มาาชื่อประตูมารวมกับิญาณตั้งชื่อตามนั้นจักุญญาณก็แปลว่าวิญาณที่รู้ตามตาจับุโศกวิญญาณก็คือเอาโสกาหูจมวกับวิญญาณใอ้วิญญาณต่างๆทะเลการโตามวิญญาณกอให้รู้ประตูใจเนี่ยอมาโนไปโนไปลว่าใจเาโนวิญญาณรู้ตามประตูใจกเลยเป็นวดกัน่นี้ผมวิญญาณเนี่ยมันจะรู้ตามผวาตามอุจารมันที่ยวจเที่ยวเอ เร็วมากอเที่เดียวกัยมันพิบัรหมันกมันต้องขอกานเลยคัแค่จะขอเลยคืมันรู้นะันมันจะต้องมีเวทนามีสัญจามีต่างๆคือมันรู้อย่างเช่นวรู้อยากเข้ามาใ้กุฏิเนี่ยพอมาเห็นกุินี้ครั้งแรกเออถ้าสติจากกุนี้ต่างตตาตตาเขาไมเห็นกุฏ่สบายตาสบายกายสบายใจอยากมรไก็ได้ยกับผู้เดือด ก็ต้องรูเสือก็นั่งได้แต่เป็ผู้เนี่ยเพราะว่าสะอาดก็ดูสอาดได้เขียก็เรียกว่าขนาดแรกเนี่ยที่มาเห็นดูบเนี่ยเห็นตึแบบว่ามันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นน่ตโครงสร้างของมันเรียบๆามมาแต่พอรู้ว่านี่เป็นกบเพื่อนนี่รู้เป็นผุ้ดีนิตาเนี่ยมันเ็เสร็จไปแล้วขันห้างเจ็เสร็จไปแล้วว่าสอาดพอรู้ว่สอาดปุ๊เนี่ยมันแบบมันเป็นเสร็จไปเลยคบายตารบายใจบายน้ที่นี่ก็จะเป็นกับปูเไอ้นี่อันก็เัมาเป็นสุขเวนา และมันก็จำได้ว่านี่กุติหลบตาแล้วก็คิดตัวว่าเฮ้ยเราเคยมาหลายครั้งในกุฏเนี่ยเฮ้มันอบเย็นดีเนี่ ย, เ, ออ เ, ย, เ, ยเป็นปน่าชอบชอบมานั่งสบายใจดีไอที่มันมมไปมัไปเปลี่ยนเสด็จ เ, เป็นกระบวนการหน้าเลยเป็นภาษาแต่มันเร็วมากนะมันแค่รู้ว่าลบปุ๊แล้วก็สอาดไปสะอา ด, อาด้าสะอาดก็คือคเวณหนานไม่สะอาดก็ดทุกบเวณหนาทนไม่ได้จะเป็นกอนดกว่ามกกว่า ไอ่กวาดทุ่งไหนอาจารย์ไอ้ความไม่กวาดกันมาแล้วเอาภาคีววัถุคือไอ้มันทุบเวรนาคือมันทนไม่ได้ที่จะเห็นสภาพเนี้ยมันต้องไปเไปกวาดต้อกวาดแล้วก็เอาภาครี่เียกันถูงจะกันน้ำได้สบายตาพอสะอาดเสร็จทุกคนก็เป็นสุโเวธนาถสบายท่งกันหมก็ได้แต่พอนตกกบมันเป็นสุโภเวธนาถือมันทนไม่ได้ที่จะเห็นสภาพนี้นัไม่ได้เราควรจไอ้ความต้อกวาาอันนี้มันเป็นทุโภเวทนา มันเป็นธรรมชาติที่ติดมาจากการรู้กัรเหตุจะได้ยินจะรได้กลิ่การสัมผัสการรู้ัาการใจมันเป็นสภาพที่รู้ว่าติดร้อกันเลยแล้วก็มันก็เป็นสภาพที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นเช่นเดียวนี่คือขันหน้าแต่ปรัตมัเนี่ยก็คือเขาอาตอนขนาดแรกที่ทีเดียรักษาเนี่ยเขาเป็นรู้สึกขนาดนั้นต่อที่เขาเอาเสื้อวดียที่มันจะไม่ถอดกบเวทนาเนี่ยนั่นแหละคือปรัมมัชอย่างอื่นคุณประกเส็จแล้วคูณเอาเวทนาบรรจารักษาของกุณประกอบ แต่เนี้ยเขาเป็นเรื่องของการอธิบายให้ความคระมกนการทำงานของมันอแต่มันจะไปใช้ปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้เออมันเกิดพร้อการดับพร้อมการไปเลยได้เวทนาสัญญาลักษาะเนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิกเออมันแยกได้ออกเพาว่าความพิจารณาเรียนรูปจิตเจตสิกนิพพอย่างรูปจิตเจตสิกนิพพานอย่างรูปก็คือร่างกายเนี่ยนะแล้วก็ ไอจิตก so bon so, oh so, ็ค so, so, ือวิจาณาาดที่มารู้วิจารณาาเนี่ยวิจาณาาจิตวิจาณี่ยที่เป็นวิจารณาานี่มรู้รู้สั้งระแล้วก็เจตสิกก็คือเวทนาสัญญาตระขาไอเวทนาสัญญาตระขาดเนี่ยมันเกิดขู้มาแทบจะพร้อมกับไอวิจาณไอจิตวิจาณเนี่ยเกิดมนรูุ้ตั้งะวเนี่ยไอเวทนาสัญญาตราก็ประกอบไปเลย่รู้ก็ไอเนี่ยมันรู้แล้วมันสบายรูสบายตาสบายกายสบายใจ หรือไม่สบายหูไม่สบายตาไม่สบายกายไม่สบายใจหรือว่าเป็นกลากางถ้ามันสบายหูสบายตาสบายกายสบายใจรูุ้มันก็เป็นชีวเวกานาแต่ถ้ามันไม่สบายหูไม่สบายตาไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เป็นุกวเวกนาอันนี้เป็นธรรมชาตินะเราไม่ตัดนะจ๊ะเพรอะไร่งเราไปโดนเอ้กติกกําล้นเนี่ยเราพลาดไปูไปโดนไระกร้อนแล้วเรามาจักมือถีไอ้นี่เรารู้ความร้อนเนี่ยที่มันต้องัดกายเนี่ย ไอ้ปัญญามันรู้ทั้งเลยว่าร้อนรอนพุกเระชักโมดีเลยไอเดี่มันเป็นกระบวนการทํางานธรรมชาติที่ช่วยเรามีาชีวิตรอดคือเป็นร้นอนพุกเราก่อนชักโมดีเราก็เลยไม่ไพอกับถ้าเราไม่มีเมตนานะตายเราไม่มีความรู้สึกอะไรเลยตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเกิดมาต้องมีความรู้สึกืมันต้องรอดได้รอดได้เพราะฉะนมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสากลไม่ได้เราจะไปรู้อย่างปรารถนาเน่ย เอาวิญญาณขันเนี่ยไปให้แค่รู้แล้วตัดเวทนาสัญญาตั้งขันเนี่ยให้มันรู้แต่เป็นปรมัาทัยไว้ให้รู้ลดเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันอเขาพูดกับเราเนี่ยพอพูเดเราจาฟังพวกปฏิบัติว่าให้รู้ลดเนี่ยเขาต้องรู้ว่าลดเนี่ยลูกตาแค่ให้รู้แค่โผล่าไม่ให้รู้ว่าเป็นสีอะไรเป็นวัตที่ห่ออะไรฟังเล ย, ยทำได้เหรอทำได้ยังไง เห็นอะไรก็ต้องให้เห็นเป็นอย่างนั้นห้ามรู้ว่าอะไรเป็นอะไรยังเห็นเนี่ยเขาบอกว่าเห็นเนี่ยไม่ให้เห็นว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเห็นแปลแต่โครงร่างแล้วไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องพูดถึงว่าหน้าตาเป็นยังไงให้รู้กับเป็นโงรล่างแล้วไม่ให้รู้สีปากผิวพรรณแล้วคมันรู้จักกันเนี่ยก็ต้องรู้ว่าที่มิกใส่แล้วรู้จักกันมาเนี่ยมาเนี่ยครู้จักใครรู้จักมันต้องเคยมากี่ครั้งก็ต้องรู้จักที่ทํางานอะไรมีเป็นสามีใครเป็นภรรยาใคร งานที่ไหนมันพิม์เงินบวชน้ำยิงจําได้เลยไอ้นี่มันเป็นกระบวนการของชีวิตเลยะไปทำแบบไม่ไปฝึกปรามาัดให้ด้วยบปรมัดปรามาัดอย่างนั้นอ่ะโอโ้ยเราว่าไอ้เราเห็เนแล้วนะคือเราว่ามันทำไม่ได้ครับไปฝึกปรานัดคืออัเ น, นี่ยกระบวนการก็สอนให้เข้าใจที่เฉยที er. ่เจ้าสอนให้เข้นในาใจว่าเออเนี่ยขันห้นนนามในกระบวนการทาีวตางวิญญาณเนี่ยมันเป็นรูปจะเป็นอย่างี้เราจะต้องสกต่อเวทนาตั้งยาตั้งแบแต่เราไปฝึกไปฝึกเป็นปรมัดเลยมันฝึกไม่ได้หรอก ตัวตอกแต่ต้องมายอะฝึกว่าตัวขันหน้าก็คือขันหน้าเป็นตัวปูุแต so ่งก็จะปรุงแต่งซ like well, evet. ้อนๆๆๆกี so ่กันหน้ากตามมันเร็วทางานเร็วมากเลยเพราะอะไรมันรู้อะไรปุ๊บมันจะต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ไปส่งต่อวิญญาณตัวต่อไปอีกเพราะอะไรเวลาคุณรู้รูกปุ๊บแล้วคุณเวทนาอย่างไรไอวิญญาณสังขารตัวต่อไปมันก็มารู้เวทนานั้นแล้วพอเวทนาไปส่งต่อมันยาวับได้ไหมรู้นี่ใครเปใครไอวิญญาณสังขารมันก็มารู้เลยไอสัญญาเนี่ย แล้วพอเราเนี L ่ยรู <English> ้ว่าใครเป็นใครมันคุ้แตกไอ้วิญญาณฐานเนี่ยเัาต้องการู้เกิดคำถามเมื่อไหร่ไอ้วิญญาณฐานเนี่ยมันรู้ทุกตัวในขันห้าเลยเกิดจมันรู้ทุกตัวในขันห้าเลยและมันรู้กระบวนการทุกขัน้าทั้งหมดมันรู้แรงมากมันเกิดจำมันเกิดจำเร็วมากเราไปตัดตอนไม่ได้หรอเราไปตัดตอนเนี่เหลือแต่วิญญาณฐานรู้อย่างเดียวเป็นตลมานอย่างเดียวมันไม่ได้ที่นจจาสอีทีครับพิจารณาักษัก็เห็นคนมี เดินหุบกระดูกเดินไ่เหอว่าพิศารนาเห็นห้อยกะว่ามองง่ายคือมองเป็นธรรมชาติแล้วก็เข้าใจแคืบเอเข้าใจแล้วมัจบไปแค่นี้แก็คือไอกระบวนการขัดหน้าเนี่ยมันจะทำงานต่อเรื่องกันกี่ตู้สมมติว่าไอรถตู้โกี้นมองให้รถไฟอะก็มล็ด่ก็คือกระบวนการขัหน้าลหนึ่งตู้ ลูกเวทนาสัญญาณขาดวิญญาณที่ไปรับรู้อยูนะเป็นตู้กระบวนการไฟแล้วแต่หนึงตู้หนตูู้่้ใแต่ละกระบวนการต่างนะแต่หลายตู้มันเร็วมากรไฟที่ผาเาไม่จะไปแต่ลตแต่ที่เราตู้ด้มันเร็ว่ากความคิดแต่มันเป็นความความเร็วสูแล้วมันวิ่านอเงี้ยแล้วโอ้โหกี่กระบวนการละกี่กระบวนของรถตู้ไปแล้วเราไม่ทันเราตาดตัดตอนไม่ทันแต่เราว่าคือรถไฟก็คือรถไฟอ่ะเราไปขึ้นได้ยางเดียวคนปรลาั้นมองไม่เหว่าเป็น ไห้นี้บแบบไลดับรถไฟให้มันเป็นตัดรถไฟเรื่องเป็นต่อต่อต่อตอเป็นอดทอดทไอห่ะเราก็รู้ตัวว่าก็จะเป็นกี่การง่ากี่การนายในรถไฟนจะต่อนไป้ตัวอย่างนึ่งอ่เออเราไขึ้นตัวอย่างนึอะทุกอีกกางาก็ต้องแต่ง้นเราขึ้นได้ขัน่เราไม่เป็นตัวลงมาตแต่เองเไม่ขึ้นรถไฟตัเองอ่ะก็ไม่เป็นไรนะเพราะเาจะขึ้นรถไฟนี่รถไฟมันจะางทีกระบวนกานเือองคเกี่ยวบลเราเราไม่ขึ้นตัวอย่างเอออย่างี้ แต่ではでは nah ้าเราจะขึ้นเราก็ข <generally> ึ้นองเราขึ้นไปเราขึ้นไปทำงานแต่รถมันขึ้นไปกระบวนการของความคิดคิดตั้งใจคิดขึ้รถไฟือตั้งใจคิดจงใจคิดกดจอกัดตจ่กดจอกับติ่แล้วนั้นมันปิงๆงปิเลือดเอยเนี้ยเี่เราตใจหรือเราจะไปคิดคิพักแล้วก็เห็นว่าไฟมันไป่เราไปคิดตั้งแต่เช้าเลยก็าูนมาเรานไหนใ้ปูเราไปตั้งใจปงอะไร่มัเกิ็ู้ ถ้าเราไม่ไปยึดไปอะไรเ ร, เราก็ไม่มีการลักการวางเราก็ดูดเรื่องฟูไม่ฟูเลยแล้วไอ้การที่เราไม่ไปยึดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าการคือการปล่อยวางนี่ไม่จช่ว่าเราไปจับแล้วเราปล่อยเออแต่มันมีสองขั้นตอนถ้าเราจับจริงเราก็ต้องปล่อยจริงๆแต่ถ้าเราไม่เราไม่เราไม่คือลบไว้ไม่ไปจับอะไรไม่ไปยึดอะไรถ้าทํำแาเนี่ยคือการปล่อยวางมันชืนเราไม่เพราะที่เบอกว่าไม่ไม่จับแล้จะปล่อยได้ไงก็คือการไม่จับอะไรเราก็ปล่อยเป็นเรื่องนี้เขได้แล้วแต่ว่าเลื่องภาษากัน คุณไม่จับก็เ่าคุณปล่อยเดี๋ยวมันจะเทียงกไม่จับแล้วจะปล่อยได้ยังไงเออเออไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อยแต่เราคุณยืดแต่คุณต้องปล่อยจริงๆแล้วยืดเป็นทุกข์จริงๆเออแต่คุณถ้าไม่จับจะได้ไปปล่อยก็ได้ถ้าคุณไม่จับแล้งวันต้องปล่อยก็ถูกีีแต่ทีเราก็จะทั้งอันบเข้าใจว่าไอ้ที่คุณไม่จับแต่คุณปล่อยแล้วคุณไม่ต้องไปหาความปล่อยว่าอี คือคุณไม่ไปจับไปยึดอะไรแล้วคุณไม่หลงไปไปปรุงแต่งอะไรเนี่ยคุณไม่ขึ้นกระบวนการลถไฟของความคิดไปคุณไม่หลงกับตัวคุณไปปรุงแต่งเนี่ยคุณไม่ต้องไปพยายามปล่อยวางอะไรอีกเพราะว่าอันนั้นอ่ะถ้ากับคุณเหมือนกับคุณปล่อยวางแล้วคือคุณไม่ไปคุณยึดอะไรแล้วและไม่ไปปรุงแต่งอะไรแล้วคือตอนเนี้คุณปล่อยวางเลยปล่อยวางที่คุณจะไปทํางานคือปล่อยวางที่จะไปทํางานของกระบวนการความคิดจะขึ้นรถไฟไปทํางานอะไรตอนที้ปล่อยวางคุณไม่ขึ้นรถไฟปล่อยความคิดรถไฟฟ้านไปตลอด เราไม่ขึ้นไปนูตอนนี้เราวางแต่ลุตาหาบัาเรียกว่าจิตว้างงานคือปดกระเสียนช่วงนี้ปกเสียนขึ้นไปไปทางานวันแรกวันไดียวอยู่ชามืออขึ้นรถไปไปทงานเที่ยตอนนี้ปกระเสียนไ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตาหมาเรก่าจิตปวดกรเียนหรือจิตว้างงานไม่ขึ้นลงไปไปทา ง, งาน <c oughs> นะรนรานานนประใจไหมเออถ้าปรใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีระยะหลังหรือเา ปัย่าตัวไม่เข้าใจแล้วก็เด่นติดตัวแล้วพยายามไปดับปัญหาพูดยังไงวะทำไมรู้ยังไงแล้วมันชอบคิดทำไมรู้ยังไงแล้วชอบคิดนี่อ่านึูมื้ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนประจามไมรู้จะทำยังไงให้มันรู้อะไรแล้วมันไม่คิดรู้อะไรแล้วมันไม่คิดอยู่นี่แนแล้วก็โหจริงรมันชอบคิดอยู่นั่นแไม่พยายามจะรู้ยังไงก็ชอบคิดอยู่นั่นแ่นี่ยันปิบัติที่จะคิดเยอๆคือเข้าใจว่าพอรู้แล้วมันต้องไปคิด เขาก็บอกว่ารู Hence, or right ้แล้วก็ต้องคิดเป็นธรรมชาติรู้เาต้องคิดรู้เราต้องคิดรู้เคิดอันี้มันกระบการขน่านจะเปตัดตต่อไม่ได้มันเป็นวิญญาณาดรู้ก็ต้องคิดรู้ต้องคิดรู้ต้องคิดเออกรปล่อยมันคิดไปตามปกติแต่เราจะขึ้นไปกับมันนกระบวนการความคิดเนี่ยลือยยาวอี้ทไมมันกระทบอะไรเดีมกับเพื่อนจ้ะใจทไมต้องกับเพื่อนทาไมให้มันไม่กัเพื่อไม่ได้เราเพื่อาเพไปเดไปกับมันเองก็ไม่เข้าใจอยู่เนี่ยจะทาให้ใจไม่กับเพื่อนเลย เพราความไม่เข้าใจเดี๋ยวัำทีเนี่ยเขาบอกว่าให้สังเกตดีๆวิธีปฏิบัติที่ผ่านคือช่วงว่างระหว่างความคิดเก่ากับความคิดใหม่ให้จับรอยต่อไว้พอความคิดเก่าดับไปแล้วขนาดนั้นเนี่ยความคิดใหม่ยังไม่เกิดให้เห็นช่วงว่างนันเนี่ยแล้วจับรอยต่อช่วงว่านง น, านี้หรือปฏิบัติให้ ภาพนั้นตอนนี้แคือให้เห็นรอยต่อของวิญญาณเก่ากับวิญญาณนขัตเนี่ยกับวิญญาณนตตัวตใหม่อ่ะก่อนที่อันนี้ดับไปก่อนที่วิญญาณนตตัวใหม่จะมาเกิดเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่ให้จับช่องว่างตรงเนี้ยโอ้โหอี้ยึดเลยคคุณจะไปจับช่องว่างของความยิดพยายามไปจับช่องว่างของเองวิญญาณนะมัเอาถูว่าตัวเราไปคิดของางเอาตัวเราพปคิดของว่านเนี่ยตายมันลงมากไอเนี่ยปวนยปวดจนตายนะพวกเนดเก็บเลือต่ ได้อังก็คือเนี่ยว่าเนี่ยให้ให้สังเกตให้ดีเนี่ยก่อนคิดมันไม่คิดก่อนคิดมันไม่คิดก่อนก่อนความคิดจะมันเกิดมาจากตอนไม่คิดให้ดูตรงน้อยให้ดูตรงให้ให้ตอนที่แบบก่อนคิดมันไม่คิดก่อนคิดมันไม่คิดเอออยงเงี้ยมันจะไม่เห็นอะมันจะไปเห็นสารทัพอีก่ข้างหน้าแล้วไม่เห็นตัวเราผู้รู้ผหลักเข้าใจไหมคือถ้าเราไปไล่ดูไปสังเกตเรืออะไร ในช่วงว่าง้อยต่อของความคิดกับช่วงว่างร้อยต่อของวิญญาณขันเนี่ยกลับไอ้ก่อนคิดไปคิดแล้วคิดมาแล้วปัหาไปแล้วก่อนคิดไปคิดเนี่ยไปคอยไล่ไล่ไปเรื่อยๆก่อนคิดมันมีความไม่คิดอย่างเงี้ยนะควาใจไปไล่ดูแต่ไอ้อาการ้าหน้าไปคอยดูแต่อาการหน้าจะไม่เห็นเราเลยผู้ดูอยู่ด้านหลังไอ้ตัวเราเนี่ยบางครูมันก็บวนลของความคิดแล้วใสของความคิดอีกอี่กระบวนแล้วอย่างเงี้ยที่ไอ้คอยคิดไปคอยคอยไล่จับคอยไล่ซื้ต้องทันคอยไล่ดับความคิดให้ความคิดมันหมดไปเหลือแต่ความว่างเปล่าเนี่ย แต่ไอตัวเราเนี่ยผูดไปคอยไล่เนี่ยมันเป็นกระบวนของรถไฟยาที่ต่อมันไม่รู้กี่ท่อแตกกี่ท่อเราเราไม่เห็นตัวเราจะกลับไปมองเห็นดคีความห้ามือเรเราไฟต้องม่เออเราเราไปเบได้ตัวเราที่จ้องไปเพ่งไปไล่ตัวเรานี่มันเปตัวคิดตัวตักขันไอตัวจ้องตัวเพ่งมันก็ัจะจ้องโดยเพ่งไปแล้วมันจะติดกองท่ติดกองใส่ที่ติดกองแต่เราไมเลยไปเห็นไปตัวตัวท่แตกนะตัวที่แตกเพราะว่าเราถือว่าแต่ตัวเรา ไป้องคอยคจ้องแต่ข้างหน้าอาการหน้าจ้องแต่อาการหน้าแต่ไม่เห็นใ้ตัวเราผู้คุมแต่เกอยู่ข้างหลังเยเราไม่เห็นใ้ตัวความฝาตัวเราเลยเข้าใจไหมมันทำเหมือนเนี้ยเราไล่ดูอาการไล่ดับความคิดไล่ดูช่องว่างเน่เหมือนกับว่าเนี่ยเราคอยคอยไล่ดูช่องว่างระหว่างความคิดไปกับความคิดเก่ารือดูช่องว่างระหว่างปญาณนักขันนันแรกกับปญญาณนัันข้างหลังหรือดูช่องว่างระหว่างคิดไปคิดความคิดมาไหนคิด ก็มีอารมม่ีอามเนี่ยนะเราไปดูเรื่องข้อความนี้มันเหมือนได้อาการที่เราไปไล่ดูคือไอ้โทรศัพอยู่ข้างหน้าเครื่องเราในโทรศัท์อยู่หน้าแต่เรานั่งดูโทรศัอยู่ขางหลัตัวเราพูดอยู่เนี่ยังดโทรศัอยู่หลังมันปรตลอดเลยผู้นั่งดูเราเลยเห็นแต่ในโทรัพ์ไม่เห็นตัวเราพู้นั่งดูโทรศัพท่มันมัรุงอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยไอ้ตัวเราเนี่ยปงเปกระบวนการขลไฟความคิดเน่เราเลยกลายเป็นหลปที่ลถไฟตลอดเวลาเลยที่นั่ดูเปนอิชาเออเป็นอภิาครับความเป็นรู้ตวล หลงก็้าไปคือหลงแล้วไม่รู้ว่าเป็นหัวไอต้ตัวหลงก็เป็นอวิชชาไอ้ตัวความไม่รู้เปนอวิชชาไม่รู้ว่าหลงก็เป็นอวิชชาแต่ความออไมาอนน้คื อ, อ, คอมไม่รู้อ่ะพูดง่ายเข้าใจผิดแล้วไปทำผิดไอ้นี่คืออวิชชาคือมัไม่รู้ว่าเนี่ยคือทำผิดเอาผิดก็ปฏิบัติผิดก็้าใจผิดเราว่าอย่างนี้นะแต่เราไม่ว่าก็าไม่ได้เราไปเช่นไป่ว่าใครนะขอโทษเดื่อจะเป็นเช่นเว แต่นี่เป็นควาเห็นของเราถืว่าเป็นความเห็ของเร า, า, รเ อ, เราอะไรก็กว่าเราดูแล้วมันมันมันไม่ได้ทํำให้พ้นทุกข์อะไเนี้ยมันยึดถือหนักเข้าไปมันมันยึดถือมากเข้าไปมากเข้าไปมันเพราะอะไรเวลาเราจะแชร์เข้าไปเราจะพสเข้าไปในในไลน์เนี่ยในเฟซบุ๊กหรือในกลามลายอะไรเนี่ยให้แกพวกนิป เราจะต้องพิจาณามากเลยทีราะหวาคือเราต้องมั่นใจในคาสอนท่านนั้นเราจะอ้างอิงอ้างอิงของพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านนี้ท่านนั้นท่านนี้ที่เราเราเนี่ยพิจารณาโดยรอบแล้วว่าท่านเนี่ยสอนดีสอนถก้มาที่ถเอปฏิบันแล้วเราถูกแชร์เข้าไปพวกไปหรือว in ่าข้อความบางข้อความเนี่ย มันไม่ได้ถึงในเ่ว เ, เรื่องของมันเป็นธรรมะขัน้นลึกถึกงมรรคฐานแต่มันเป็นข้อความที่ท่วมท้นอะไรก็แต่งเก่งๆเฉพาะดีแล้วมันมันใช้ประโยชน์มันเป็นคําควบคมโดนใจแล้วก็แชร์้าไปคือมันโดนใจไปทําให้เราเนี่ยอาจจะ ไ, ได้สะดุดอะไรบ้างเราก็แชร์ก็ไปแต่ถ้าเป็นคาที่ละเอียดลึกๆกันสูงเนี่ยมันแชร์จากของอะไรทำไมเราแชร์จากอะเรารูได้ไมครับอาจาคือเราเราเนี่ยติดตามคําสอนท่านมานานหลายสิบปีแต่ละองค์เนี่ยที่าแชรข้าไป แล้วเราเนี่ยตอนท่านพัฒาภาพแล้วเนี่ยเราก็ติดตามไว้อะติธาตเนี่ยเป็นประธาต์ประธาตุคือมันใสเป็นวิส่วนที่มันในเอ็นตัวที่มันะสมกับที่เท่าเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือระเพา็กึเลนเลยก็เรียกเป็นประธาที่มันเป็นแอยู่แต่กระดูกเ่นใหญ่ก็ยังไม่เป็นเลือแต่ไอ้ที่มันหลวมระสมกับไอ้ที่ผมไอ้ที่เนี่ยไอ้ที่เป็นกระดูกใหญ่มันยังไม่เป็นแต่ไอ้พวกที่เป็นเลือเนื้อธาติในผลอเลือดเล็กๆขนาเ็ต่บไปไตท้อยใหญ่มากกระปอดโัวใจที่มันไหลบว ไอองที่เ่าอ่ะอันนี้มันจะเป็นปาทาก่อนแต่กระดูกชิที่ใหญ่มันแข็งก็ไม้เป็นแต่เค่อยๆเขา่อกลายในเป็นปลาท่าอืนไอที่มันหลุดมมันก็ค่อยๆเปแก้วหรือใสแต่เนี้ยนี่จะมีส่วนที่เป็นเหมือนเ่เขียนเป็นกาวเพเล็เล็กๆเลๆเหมือนเล็กเขาเรียกผสผลึกเล็กๆเหมือาท่ใสน่ะเพราะอาหารนี่จะมีสนที่ผสมอยู่็นกองที่เท่าเนี้ยอันนี้อันอคือกระดูกท่านเป็นพธาทาตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเรามีตาม เราติดตามดูท่านตนองติดตามดูท่านพระองค์เนี่ยเราเกิดไม่ทันเราก็ติดตามดูจากหงพ่อท่ า, ทาและลูกศิษย์ของท่านก็เป็นอ า, า, าลัยเจํานมนมากนะครับนของท่านของพระบุตรพระนิสิตเราเราก็สะเกตดเอาจากความรู้ภายในเราอะ่ะเราดูอเออชๆๆๆๆแชร์แชแชแชเราตรวจสอบหลายอย่างมากเลละเอียดมากเลยแล้วก็กินแชรขึ้นไปตอเนี้คำสอนอันนี้ยแน่นอ น, น, อนเราเลยเพื่อไม่ให้แบบสึกษาเชื่เอเราอย่างเดียว จะงมงายเราเลยมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเลือกสานแล้วเนี่ยประกบขึ้นไปเพื่อเกิดความรู้ความเขใจในการเดินในการเดินทางเนี่ยมันมีความมั่นใจมากขึ้นว่าโอ้โหว่าเราเดินมาทางนี้เลยแล้วเดินมาทางนี้เราก็เดินมาใช่เลยใช่เลยมีความมั่นใจมากแล้วเอามาจากอเนี่เหมือนกับสมัยเราเป็นครูภาษาเนี่ยเวลาคนเป็นครูภาษาใช่ไหมกำลัจะตอบข้อสอบหรือไปเขียนคำภาษาเนี่ยเขาก็ต้องอ้างอิงอ้างอิงพอเห็นเราเนี่ยเอนแรกที่เราเน่ยเป็นคนเขียนเนี่ย เขีนว่าตอบจากนี้ตอบจากนี้บกวนจากนี้ดังนี้แต่ของผู้ภาษาเนี่ยเวลาจะบกวนจากนี้หรือตอบว่าตอบนี้มันจะต้องอ้างอีกว่าตามดีการนี้ตามดีการนี้ตามดีการนี้ตามดีการนี้มันต้องเอาตัวยกดีการเนี่ยเอาประกบมันจะเรียกว่าเอาแต่ว่าเห็นเองไม่ใส่แต่มันมีอ้างอีกดีการทีเคยมีตัดผิดมาได้แบบนี้มีเคยมตัดผิดมาได้แบบนี้ก็เอาดีการอาประกบพวกนี้ไปสอนได้แล้วตัดผิดคดีก็ต้องเอาเนี่ยเอาประกบ มันเคยตัดสินมาแล้วแบบนี้แบบนี้เคยมีอะไรอย่างเงี้ยกแล้วก็ชินมนจากตอนเราเก็เป็นมนุษยะแล้วเราก็มัใจอ่านยบกถามว่าเอ้าแล้วเราเปนทำไมไม่ตอบเองเลยต้องเอามาอะไรเงี้ยเฮ้ยมัก็เอามาอ้ายเงี้ยเกิดกัเื้อมันเออเนี่ยคนทาไมเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราต้องลำบากมากเราไป็้นอะไรเงี้ยเนี่ยความจริงเนี่ยอ่านของเราอย่างเดียวเนยนะเราไปเอมาให้หมดนะเราทุวนมันจะหมดเลยก็อดแต่ก็อ่านจริงๆแล้ว อ่าเนแบบนี้คือเป็นกาเอามาอ่านเนอะือบอกว่าหลงตาสอนให้เทียบเราไปดูเไปอ่านของพัะธรบัวก็เห็นว่าเหมือนกันแล้วที่ทั้งในหนูรู้จักรต้ที่หลวงตาเคยสอนคือว่าค่ะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าองค์มีวันมาค่ะคือั่างหมือกันแล้ก็ถอนนะ ตตแล้วอฟัตา่อแล้วหนก็ไปดูของคุณพระอาจารย์เข้าใจไหมคือถ้ออ<ม>าบางอาจารย์ถือคาของพุทธเจ้าก็เหมือนลักษณะที่พระพุทธเจ้าสอนอ<ม>นก<ม><ม>นั น, นแนเราอยากให้คนนุคคมีตัญญาไม่ใช่เชื่อใครคนใดคนหนึ่งแบบงมงายไปเลย ไ, ได้แต่งนีนน้ตอนที่หรออที่เขาสุด้า ทำไปยากจังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเหมือนกับว่าคิดเปล่าแบบเหมือนกับเราเที่ยวกับคนที่ไม่ปฏิบัติเรามันหลงที่คนคนเป็นโลกก็หลงโลกใช่ไหมหนูก็รู้สึกว่าหนูหลงทำแบบเหมือนกับที่เราหลงไปจริงเราปฏิบัติไปคือบอกว่าเราก็ไม่ได้หรอกคือคนที่จะถึงตรงเนี้ไม่ใช่ได้มาได้ง่ายๆ่ายแต่หนูได้เมื่อที่หนูตาางเนี่ยเพราะว่าเหมือนว่ามัน กิเลสมันกำลังหลอกอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะพอหนุ่มไปอาา่านคุบากานคืออย่างูุบาจานย่ที่หนุ่ตาบอกกระดูกใสเป็นเก้าแล้วท่านเป็นอรหันต์จริงแล้วคาพูดเหล่านี้ท่านก็พูดเอาไว้จริงแล้วท่านก็ปฏิบัติได้จริงทุกคาพูดที่แช่ออกมาท่านไม่ไดเอามาหลอกลวงเรามันก็เลยเหมือนกับว่าตรงเนี้ค่ะเป็ น, นสิ่งที่สร้างกำลังใจให้เดินต่อไปได้ใช่ไหมนั่นก็มันเหมือนกับว่า คือ ป, ปัจจุบันคนือคนที่อกอุตสาหนี้แล้วไม่มีทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบทอบกลับไปมองอย่างแบบยังง่ายๆว่าอย่างเหรอจาย์ใรเมื่อาวานไปหลบฝุกสถิ่มหรือของหลงตามอาหาบัวชอบไอ่านท่านก็มีหนังสือมีอะไรเพี่สอนเอาไว้แบบนี้จริงๆกระดูกท่านเป็นแบบนี้จริงๆแล้วพอเราทอ้อพิมพ์แมนทุนกอย่างมันหลอกลวงเอาว่กลับมามองนัานคืออยู่ที่ความเชื่อเลยอะไรี้ คือศรัทธาเราก็เชื่อตรงนี้ถึงจะเดินไปได้ใช่ใชแต่ว่าหมงตาหมูนได้จาบตรงนี้ของตาจรินี่ น, น, น่เราก็ปัดเราเนี่ยตั้งใจอย่างนี้นะเราอยากจะเห็นคนนี่เอาไปอ่านไปฟังแล้วมีความตั้งใจเพีย้ยนมาอย่างนเนี้ยจนกระทั่งรู้แจ้งก่ใจไม่ใช่ว่าเชื่อแบบงงงายใช่พระพุทธเจ้ายังบอกว่าแม้แต่เราศรัทธาพูดๆแต่คเชื่อจริงมันต้องนาไปพื้นปฏิบัติมีข้อเป็นตองคามตั้งใจเราเนี่ยโอ้โห คนมากเลยเราไม่ยอมเชื่อแตงหนึ่งอ่ะคือเราไม่ใชว่าไม่เชื่อท่านนะคือพ่อแม่ครูาอาจารย์ท่านเรารู้ท่านเป็นอัาหันแต่ก็เลยเราก็ยังฟังของคนอื่นเราเอาของอัลลาหันนั่นอื่นเอาของตรงนี้ตรงนี้มมาเทียบเทียกมแต่ในก๊อกแล้วพิจารณาในจิตของเราเราทำอย่างเราอยู่อย <Keep thinking. S 2> the ่างนี้ยเทียบเทียมแต่ในจิตของเราแล้วแต่เราตรงนี้ตรงนี้พูดอย่างนี้เราก็ยังเอาตรงนี้มาเทียบเอางนี้มาเทียบแล้วมเปีกอ้ะเทียบในจิตของเราจิตเราเป็นอย่างนี้เปล่าอะไร่างเงี้ยเราทำแล้วมปฏิบัติอย่างนี้เปล่าตรงนี้ว่าอย่างนี้ เราก็จะไเราจะไม่ไม่เชื่อท่านโดยริ้นหรือว่าพัดตวงใจเรายอเชื่อท่านแล้วว่าท่านเป็นอาไรแต่เขาพูดของท่าน่ท่านอาจจะเดินทางในนี้แต่ตรงนี้ท่านไม่ชมน้ำท่านอาจจะรุกรานอะไรนี้แต่อนทางแบบนี people people ้ท <ADHD> ่านไม่สมน้ำเขาก็จไปดูทางไหนอีกเพราะว่าแต่ละคนทำนามไม่เหมือนกันเราต้องเลือละเี้เนียเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราแจรไปทั้งหมดผมรู้ทางพี่แต่อ่าหาลูกสวา แล้วเราเนี่ยคนใหญ่ก็จะรู้ง่ายกว่าเราถามเลยโดยที่ตัวตอบก็ถามแล้วมาคลายมาถามตัวตอบมาามคอ่านหรือเปล่าที่เราแชร์ไปแล้วเนี่ยก็ผันผ่านครับก็อ่านใช่หมนเทอร์เน็ตอ่านมาหรือเปล่าถามจิงก็ผานเนี่ยเราปวอย่างนี้มากเลยคือผ่านผันผานทำไมไม่อ่านก็รูแล้วอะตอย่างรู้นล้วตอย่างนั้นคือเดีนจะหลงอ่านมาจะหลไอิเทอร์ไปอ่านนะมันหลงคุณแล้ว คือมันลงอยู่แล้วเนี่ยแต่มันก็ยอมอ่านที่หลงวิ่ใหญ่ใช่ไม่ได้รู้ที่จะแบบเปิดรับเอาความรู้เข้าไปในตัวเองแต่ตรงเนี้ยสำคัญที่เราพูดนะทุกคนไม่เปิดใจร้อเอร์็นที่จะเอารับเอาความรู้เข้าไปแต่ทุกคนอ่ะมันจะพูดเตีมตัวเองไปแล้วก็อ่านเนี่นะที่แจ้งไปเราสังเกตด้วยเหมือนกับที่เข้าใจเลย คือที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แกัไปเหมือกับที่หนูที่ผม้าใจเลยก็จกันเองก็ได้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ่ะท่านพูดอย่างนี้ก็คือปรอย่างนี้ที่พูดแต่เราเนี่ยไปฟางเลยก็ใจไปอีกทานเลยเออเราที่เราบอกว่าเกือบร้อยเปร์เซ็นเียังไงที่เราพูดของบวนที่บอกว่าหยุดให้หยุดยิดหุดยิุดึกุด ปรุงแต่งอยูกรรมทั้งคิดในใจทั้งหมดน่ะยู่พฤติแห่งจิตอยกิริยาจิตีไอ้ตัวเนี้ยถ้าแปลผิดเี่ว่าแบบจิเลยมันไปหยุดที่ไปไปดิดไปหยุดที่ไอ้ิตที่เป็นสังขารที่ปรุงแต่งไปไปหยุดที่ไอ้ตัวปรุงแต่งแต่มันไม่ตัวเองอะมันไม่ได้เป็นตัวให่ปรุงแต่งแต่มันพยายามไปหยุดเอ็นตัวที่ปรุงแต่งพอเราในกายมัเป็นพยายามที่จะปรุงแต่งเราในการเป็นปรุงแต่งไม่เลยัอนนี้ที่อ่านไม่ก็้าใจผิดแล้วไปจับเอาก็บหัวมันโยนร ตอนท้ายตอน่าไม่ไกิดเดิเพราะว่าไอ้คนนั้นคืกคนตนนี้เป็นจับมือหลวงประเวณีแล้วก็ไปจับจว่านว่าไปจับตรงที่บอกว่ารู้รู้เรื่ออะไรอยู่ก็รู้เรื่องอะไรว่าว่างไม่กี่เดียวกับจักรวาลคือหนึ่เกียวจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกว่าจักรวาลนไม่ทำทีเลยัวที่ไม่ได้ทำเหตุอะไรเลยดีน่าดูแต่คอดีข้าวคือตัวอะไรต่องซึงมา ได้เ ห, เหมดแล้วเนาะไปกลับไปกลับมานะวันเนี้เราจริงๆอ่ะเราคิดเราจะไม่อธิบายยาวถึงขนเนี้ยเราก็เพราะว่าอะไรมาต้นแชร์เป็นเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปให้เรื่องแบบวิญญาณฐานรู้ตาสว่างวิญญาณธาตุหรือแบบรู้ตาเนี่ยคุณจะแชร์เปนเมื่อวานก็ตื่นเนี่ยวันนี้เราเลยก็จะไม่อธิบายยาวเลยอธิบายไปอธิบายมาอธิบายละเอียดก็เมื่วานเ